เรื่องพระอุตระต่อมาพวกภิกษุวัชชีบุตรชาวกรุงเวสาลีถือสมณบริขานนั้น เข้าไปหาท่านพระเรวตะถึงที่พักครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระเรวตะดังนี้ว่าท่านผู้เจริญขอพระเถระโปรดรับสมณบริขารคือบาตรบ้างจีวรบ้างผ้าปูนั่งบ้างกล่องเข็มบ้างประคตเอวบ้างผ้ากรองน้ําบ้างกระบอกกรองน้ําบ้าง ท่านพระเรวตะกล่าวว่าไม่ละคุณเรามีไตรจีวรครบบริบูรณ์แล้วไม่ปรารถนาจะรับสมัยนั้นพระอุตระมีพรรษา20สเป็นอุปถากของท่านพระเรวตะครั้งนั้นพวกภิกษุวัตชีบุตรชาวกรุงเวสาลีได้เข้าไปหาท่านพระอุตระถึงที่พักครั้นแล้ว กล่าวกับท่านพระอุตระดังนี้ว่าขอท่านพระอุตระจงรับสมณะบริขารคือบาตรบ้างจีวรบ้างผ้าปูนั่งบ้างกลองเข็มบ้างประคตเอวบ้างผ้ากรองน้ําบ้างกระบอกกรองน้ําบ้างท่านพระอุตระกล่าวว่าไม่ละคุณเรามีไตรจีวรครบบริบูรณ์แล้วไม่ปรารถนาจะรับ พวกภิกษุวัดชีบุตรชาวกรุงเวสาลีกล่าวว่าท่านอุตระคนทั้งหลายน้อมถวายสมณนะบริขารแด่พระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคทรงรับพวกเขาก็ดีใจถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงรับพวกเขาก็จะน้อมถวายท่านพระอานนท์โดยกราบเรียนว่าท่านผู้เจริญขอพระเถระ โปรดรับสมณะบริขารสิ่งที่พระเถระรับก็เป็นเหมือนกับที่พระผู้มีพระภาคทรงรับขอท่านพระอุตระโปรดรับสมณะบริขารเถิดสิ่งที่ท่านพระอุตระรับก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่พระเถระรับเหมือนกันครั้งนั้นท่านพระอุตระถูกพวกภิกษุวัชชีบุตรชาวกรุงเวสาลีบีบคั้น จึงรับจีวรผืนหนึ่งแล้วกล่าวว่าพวกท่านพึงแจ้งความประสงค์พวกภิกษุวัชีบุตรชาวกรุงเวสาลีกล่าวว่าขอท่านพระอุตระจงบอกพระเถระว่าท่านผู้เจริญขอพระเถระพูดเพียงเท่านี้ในถ้ำกลางสงฆ์ว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย สเสด็จอุบัติในปุรัติมะชนบทภิกษุทั้งหลายชาวปราจีนเป็นฝ่ายธรรมวาทีภิกษุทั้งหลายชาวเมืองปาเถยะเป็นฝ่ายอธรรมวาทีพระอุตรระรับคำของพวกภิกษุวัชชีบุตรชาวกรุงเวสาลีแล้วเข้าไปหาท่านพระเรวตตะถึงที่พักครั้นแล้วได้กราบเรียนดังนี้ว่า ท่านผู้เจริญขอพระเถระโปรดพูดเพียงเท่านี้ในถ้ำกลางสงว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายสเสด็จอุบัติขึ้นในปุรัติมะชนบทภิกษุชาวปราจีนเป็นฝ่ายธรรมวาทีภิกษุชาวเมืองปาเถยยเป็นฝ่ายอธรรมวาทีท่านพระเรวัตถามว่าภิกษุ ท่านชักชวนเราในสิ่งที่ไม่ชอบทำหรือแล้วกล่าวประนามท่านพระอุตระต่อมาพวกภิกษุวัตชีบุตรชาวกรุงเวสาลีถามท่านพระอุตระดังนี้ว่าท่านอุตระพระเรวตะพูดอย่างไรบ้างท่านพระอุตระตอบว่าท่านทั้งหลายพวกเราทําบาปเสียแล้วพระเรวตพูดว่า ภิกษุท่านชักชวนเราในสิ่งที่ไม่ชอบทำหรือแล้วประนามเราพวกภิกษุวัชีบุตรชาวกรุงเวสาลีถามว่าท่านอุตระท่านเป็นผู้ใหญ่มีพรรษายี่สิบแล้วมิใช่หรือท่านพระอุตระตอบว่าใช่แล้วท่านทั้งหลายแต่กระผมถือนิสัยอยู่ในท่านพระเรวตะผู้เป็นครู